เนั้นลำบากใจใดเวตาที่เธอมองกันปอกกะไรกับฉันมาหมายความอึดอัดมันฟ้องใจไม่มีทางเป็นอย่างเดินต่อให้เชื่อวิเศษผูกเราไว้เนวรังหัตใยคงได้แค่ตัวยิงห้ามเท่าไรยิงยือย้อแค่ไหนยิงเห็นแก่ตัว ก็คอยเธอเีวดีไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมาขอบใจเธอที่ทนกันมา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 แค่ตัวยิงห้าบเท่าไร ย, ute, ย, ยิงยื้อแค่ไหนยิงเห็นแก่ตัวว้าวว้าววาวม้าวว้าวว้าวว้าวว้นไปมันก็เท่าวว้าวว้าววันวว้าวม้าวว้าวว้าวว้าวว้า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 ฉันมันทำให้เธอกดดันก็พอกันทีวันนี้เราเดินมาสู่ทางฝันถ้าอย่างนั้นก็คอยเธอโชคดีไม่ต้องทนอยู่ตรง ชีวิตที่เคยมีเธอเพราะชีวิตครั้งหนึ่งที่ได้รักเธอก็คุ้มเกินพอ